เป็นโมหะเพราะไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านมาให้ชัดเจนวันต่อไปเราก็ไปตกล่องเดิมเลนแหละเพราะเราไม่ได้กำหนดรู้นี่เขาเรียกว่าอาสัมโมหสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมต่อภาวะอารมณ์ที่ผ่านมานั้นนักปฏิบัติเธอเก็บอารมณ์นีต้องเรียบเรียงใหม่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้าง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 ไม่ใช่เฝ้าดูอย่างที่จะจับจะจ้องจะต้องจะเอาไม่ใช่เฝ้าดูมันอย่างเหมือนเราดูหนังอะหนังมวนที่ฮาหรือโหดอยู่เป็นประจํานะหนังมวนนี่ไม่มีหนังที่มันเป็นสนุกสนานอะไรหรอกอหนังมวนทุกขังมวนอนิจังมวนอ น, นุตานเนี่ยท่านบอกให้ดูมันจนเป็นไว้สีอะดูให้ชวิ ช, ชํานาญดูจนขนาดไหนดูจนเกิดวิลาคา